ด้วยเหตุต่างๆด้วยบุญชนิดต่างๆกันบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทำนั้นมีอยู่ถึงสิบอย่างด้วยกันเป็นบุญที่มีความจำเป็นต่อพุทธศาสนิกชนทุกๆคนแต่จะทำบุญชนิดไหนในเวลาใด บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เช่นบุญอุทิศนี้ตามธรรมดาก็จะทำให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว <c oughs> เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเป็นต้นเพราะเมื่อผู้ล่วงลับได้จากโลกนี้ไปแล้วจิตก็จะเป็นดวงวิญญาณ ที่จะไปตามบุญตามกรรมถ้าไปอยู่ในสภาพที่แรแน้นแค้นเหมือนกับเป็นขอทานก็จะอยู่ในฐานะที่จะรับส่วนบุญที่อุทิศไปนี้ได้ถ้าไปอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยไปเป็นเทพมีบุญมาก บุญที่อุทิศไปนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเป็นบุญส่วนน้อยกว่าแต่ก็ไม่เสียไม่สูญไปไหนบุญอุทิศก็จะกลับมาสู่ผู้ที่อุทิศไปหรือถ้าไปเกิดหรือไปตกอยู่ในในคุกในตารางเช่นนรกก็จะไม่สามารถรับบุญ ที่อุทิศไปให้ได้เพราะไม่อยู่ในฐานะดังนั้นการทำบุญอุทิศนี้ยึงเป็นการทำอุทิศที่เจาะจงให้แก่ผู้ที่อยู่ในสภาพแรงแคลนอยู่ในฐานะของขอทานทางจิตวิญญาณเท่านั้นและก็ไม่จาเป็นที่จะต้อง อุทิศให้แก่ญาติสนิทมิสหายเท่านั้นเราสามารถอุทิศเผื่อไปให้แก่ผู้ที่ไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เพราะดวงวิญญาณบางดวงไม่มีญาติพี่น้องที่มีความศรัทธามีความเชื่อในทางทำบุญทางพุทธศาสนาก็จะไม่อุทิศบุญไปให้ เราก็ยังสามารถอุทิศส่วนนี้ให้กับเขาได้เหมือนกับเราให้เงินขอทานที่เราไม่รู้จักก็เขาก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำซึ่งมีทั้งหมดอยู่สิบอย่างด้วยกันอีกอย่างหนึ่งที่เราทำกันอย่างปกติก็คือทาน ทานแปลว่าการให้เรามีเข้าของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราไม่อยากจะเก็บเอาไว้เราก็เอาไปให้ผู้อื่นจะให้ใครก็เป็นบุญทั้งนั้นให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นบุญให้สุนัข ก, ก็เป็นบุญให้ขาราวาสญาติโยมก็เป็นบุญเพราะคำว่าบุญนี้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้อง ทำกับพระให้กับพระเท่านั้นคําว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจความเบาใจความสบายใจเวลาเราไปปล่อยนกปล่อยปลายอย่างนี้เราก็มีความสุขใจเบาอกเบาใจนี่คือบุญบุญอยู่ที่ใจส่วนผู้รับนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะทำให้เกิดบุญผู้ให้ต่างหากที่จะทำให้เกิดบุญ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีอะไรจะให้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะการให้ทานนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือเพื่อปลดเปลื้องสิ่งของต่างๆเงินทองต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็นเหมือนกับแบกของหนักไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่างใด ก็ควรที่จะปลดเปลื้อมมันออกไปเพื่อใจจะได้เบาขึ้นสบายขึ้นสุขขึ้นและเมื่อเราไม่มีเงินที่จะทําบุญทําทานแล้วเราก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีบุญเพราะมีบุญที่ดีกว่าการให้ทานอีกต้องหลายอย่างด้วยกันเมื่อเราไม่มีเงินทองแล้วเราก็หมดภาระเกี่ยวกับเรื่องการ ให้ทานไปเหมือนพระภิกษุที่บวชเวลาท่านบวชท่านก็สละทุกอย่างทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็สละไปหมดแล้วท่านก็ไม่มากังวลกับเรื่องของการให้ทานอีกต่อไปยกเว้นว่าถ้าท่านมีอะไรเหลือเกินความจาเป็นเช่นญาติโยมเอาเข้าวของมาถวายอาหารข้าวหวานมาถวาย มากมายกายกองกินไม่หมดใช้ไม่หมดที่เหลือก็เอาไปทำทานต่อแต่ไม่ได้ไปเสียเวลากับการไปหาข้าวของหาเงินทองเพื่อมาทำทานอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดเมื่อเราไม่มีอะไรจะให้แล้วเราก็จบแล้วเรื่องการให้เราก็ไปทำบุญที่ดีกว่าสูงกว่า บุญที่เกิดจากการให้ทานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเงินสิบบาทเงินเหรียญสิบบาทอย่างนี้แต่เงินบุญยส่วนอื่นนี้จะเป็นเหมือนแบงร้อยแบ่งห้าร้อยแบ่งพันดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการทำทานอย่างเดียวเมื่อเราไม่มีเงินที่จะทำทานแล้วเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อจะมาทำ ทานอีกนอกจากว่ามันมาใหม่เราทำหมากินของเราตามปกติแล้วมันได้มาใหม่หรือว่าบุญเก่าหล่นทับเราเหมือนส้มหล่นทับเราอยู่ดีๆก็ได้เงินมาโดยที่ไม่ได้ไปแสวงหาอย่างนี้ก็เอาไปทาทานใหม่ได้อีกแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปวิตก เพบุญอย่างอื่นมีอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นบุญรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นรับใช้การกุศลต่างๆเช่นมีสาธารณกุศลอะไรที่เราสามารถที่จะไปร่วมด้วยก็ไปทำกับเขาเช่นไปร่วมกับมูลนิธิต่างๆมูลนิธิเก็บศพ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเราไม่มีเงนินแต่เรามีเวลาว่างเราก็ใช้เวลานี้เป็นการสร้างบุญให้แก่เราก็ได้นี่ก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นบุญที่สำคัญจริงๆนั้นก็มีอยู่หนึ่งสองด้วยกันคือหนึ่ง บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนะเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะเป็นการศึกษาแผนที่ที่จะพาให้เราได้ไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัยที่เต็มไปด้วยความสุขที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีแผนที่ใดในโลกนี้ที่จะ พาเราไปได้นอกจากแผนที่ของพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐแล้วทรงรู้ทางที่จะพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐนี้จึงได้นําเอาแผนที่นี้ มาเผยแผ่ให้แก่สารโลกผู้ที่น้อมนําเอาไปปฏิบัติก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนี้กันเป็นจํานวนมากที่ปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เป็นพระสังฆรัตนะที่พวกเรากราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากผู้ที่เป็นผุุ้ชนอย่างเราอย่างท่านนี้ ที่ได้รับแผนที่จากพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติตามการฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะก็เป็นการศึกษาแผนที่ศึกษาว่าเราจะต้องเดินไปอย่างไร เ, เมื่อเรารู้แล้วเราก็นาเนินไปเช่นทัดพุทธเจ้าสอนบอกว่าให้ทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม วันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็รู้จักบุญแล้วหลายอย่างด้วยกันแต่ยังไม่ครบทั้ง10บอย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงบุญอุทิศบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นบุญที่สําคัญที่สุดเป็นบุญที่เราควรที่จะให้ความสําคัญมากที่สุด เพราะก่อนที่เราจะทําบุญอย่างอื่นได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นบุญอย่างเรื่องทานที่เมื่อกี้พูดให้ถึงให้เล่าให้ฟังว่าไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทํทบุญให้ทานเพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีให้ทานที่ถูกต้องหรือให้ทานเพื่อหวังความร่ำรวยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการให้ทานแต่อย่างใด การให้ทานนี้เป้าหมายก็คือต้องการจะให้มันจนไม่ให้มีเงินมีทองมากเกินไปเพราะการมีเงินมีทองมากเกินไปนี้มันไม่ได้ให้ความเบาใจสุขใจแต่มันให้ความทุกข์ใจความหนักใจเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วก็ต้องอยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกนี่ต่างหากคือเป้าหมายของการให้ทาน ให้เพื่อตัดความหวงความห่วงตัดความอยากที่จะได้เงินมากมากเพราะเงินนี้ไม่ได้เป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้พาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเกิดมีแต่การให้ต่างหากให้จนไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนั่นแหละถึงจะถือว่า เป็นการสร้างบุญที่แท้จริงให้แก่จิตใจนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้บุญอีกอย่างหนึ่งตามมาด้วยก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการทำบุญให้ทางนี้ทำเพื่ออะไรกันแนะ่ทำเพื่อร่าเพื่อรวยหรือทำเพื่อให้เรายากจนกันแนะ่ พระพุทธเจ้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติทั้งหมดไปแล้วก็ออกบวชท่านเป็นคนรวยแล้วเป็นคนจนเวลาที่ออกบวชนี้มีสมบัติอยู่เพียงแปดชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัฏฐบริขารมีผ้าสามผืนมีจีวจีวรสบงผ้าสังคติสามผืนมีบาดหนึ่งใบมีมีดกรหนึ่งเล่ม มีเข็มกระดาไว้สำหรับปะจีวรมีที่กรองน้ำไว้เวลาตักน้ำตามบึงตามบอ่อที่มีตัวสัตว์อยู่จะได้ไม่ตักตัวตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นนี่คือสมบัติของนักบวชอย่างนี้เรียกว่ารวยหรือจนกันหน้า แต่สิ่งที่ท่านรวยนั้นไม่ใช่รวยด้วยสมบัติเข้าของเงินทองแต่ท่านรวยด้วยบุญบุญที่เกิดจากการรักษาศีล น, นี่ก็บุญอีกอย่างหนึ่งพอให้ทานหมดแล้วไม่มีเงินเหลือแล้วก็รักษาศีลได้อย่างสบายไม่ยากเลยที่เรารักษาศีลกันไม่ค่อยได้เพราะว่าเรายังอยากได้เงินได้ทองกันอยู่นั่นเองพอความอยากได้เงินได้ทองมาก็เลยทาให้เรา ต้องพูดปดต้องช่อโกงเพราะว่าหรือบางครั้งต้องฆ่าสั์ตัดชีวิตเช่นไปมีอาชีพที่ไม่ชอบไปยิงนกตกปลาอย่างนี้ต้ น, ตนเพราะเรายังอยากรวยยังอยากมีเงินมีทองมากแต่ถ้าเราให้ทานจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเราอยากจะได้เพียงแต่ให้เรา อยู่อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะรักษาศีลด้อย่างสบายเพราะเราไม่ต้องไปโกหกใครเพราะเราไม่ต้องการเงินทองอะไรจากเขา <c oughs> เราไม่ต้องการที่ไปหลอกสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นสามีหรือภรรยาของเราเราไม่ต้องไปหลอกไปชอบโกงผู้อื่นเพราะว่าเราไม่มีความโลภอยากจะได้ เท่าของเงินทองต่างๆนั่นเองเราก็จะรักษาศีลได้อย่างสบายศีลนี้ก็เป็นบุญอนึอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินมีทองไม่มีเวลาที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอให้เรารักษาศีลีีไวเท่านั้นเองศีลนี้ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยอย่างตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีศีลแล้วเพราะไม่ได้ไปพูดอะไรไม่ได้ไปทาอะไร การอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นการรักษาศิ่งที่ง่ายที่สุดแต่พวกเรามีกรรมกันคืออยู่ไม่เป็นสุขใจของพวกเราเป็นเหมือนวานอนเป็นเหมือนหลิงที่อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดเรื่องนั้นต้องคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็อยากจะทํานั่นทํานี่พอเกิดความอยากขึ้นมาเดี๋ยวก็รักษาศิลงไม่ได้นะ แต่ถ้าเราทาใจของเราให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะรักษาศีลได้อย่างสบายดังนั้นเราก็ต้องสร้างบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีปัญญาความฉลาดรู้ทันความหลงเพราะความหลงนี่มันหลอกให้เราโลภ ถ้าเรามีปัญญาอย่างวันนี้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเรารู้แล้วว่าความโลภนี้ไม่ดีและส่วนหนึ่งการกำจัดความโลภ ก, ก็คือการให้ทานเมื่อเราได้มีปัญญาเราก็นาเอาไปปฏิบัติแล้วใจของเราจะสงบพอเราให้ทานแล้วใจของเราก็มีความสุขกลับไปบ้านก็นอนที่บ้านอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้ หรือจะทำอะไรที่บ้านก็ได้ต่างกับคนที่ไม่ได้ให้ทานอยู่ที่บ้านไม่ติดมีเงินติดอยู่ในกระเป๋าแล้วมันร้อนมันจะต้องออกไปใช้ให้หมดก่อนมันถึงจะกลับมาอยู่ที่บ้านได้ถ้าจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ทำบุญจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะมันจะทำให้ใจอิ่มจริงๆถ้าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเอาไปเที่ยวมันทาให้อิ่มเดียวว เดี๋ยวไม่นานก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกพอมีเงินมาพอได้เงินมาใหม่ก็อยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของฟุ่มสวยอีกมันก็จะไปไม่ถึงไหนก็จะวนเวียนอยู่กับการใช้เงินกับการหาเงินแล้วก็กับการทําผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้เงินมาแต่ถ้าเอาไปให้ทานแล้วใจจะอิ่งใจจะสุขใจจะไม่อยากได้อะไร แล้วพอได้เงินมาใหม่ก็อยากจะให้ทานอีกนี่คือการมีปัญญาต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปสอนตัวเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพอออกจากที่นี่ก็ลืมไปเลยไม่คิดถึงมันอีกมันก็จะไม่อยู่ติดกับใจมันก็จะไม่สามารถมาคอยเตือนใจของเราให้ทําบุญได้ให้รักษาศีลได้ ให้ภาวนาได้เราต้องเอาไปเตือนใจเราว่าบุญมีกี่อย่างและเราทำได้ที่ไหนบ้างเวลาใดอย่างภาวนานี้เราทำได้ทุกเวลาการทำจิตใจให้สงบนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปก็ทำได้เดินไปไหนมาไหนก็ให้สวดมนต์ไปภายในใจอย่างนี้ก็เป็นการทาใจให้สงบในระดับหนึ่งไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้ก่อความโลภความโกรธต่างๆ ปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อเราไม่มีภาระการงานเรามีเวลาว่างเราก็หามุมสงบนั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กําหนดใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ว่ามันจะอยู่กับอย่างใดก็ลองทดลองดูเพราะใจของเราบางครั้งก็อยากบางครั้งก็ละเอียด เวลาใจอยากนี้จะอยู่กับลมไม่ได้จะ ต, ต้องอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนหรือกับการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่พอเมื่อสวดไปแล้วหรือฟังแล้วรู้สึกว่าสบายเย็นอยากจะหยุดฟังอยากจะหยุดสวดก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปพอใจเริ่มละเอียดลงไปเมื่อละเอียดลงไปแล้วใจก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำงาน ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพุโทโธไม่อยากจะสวดมนต์ก็ดูลมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เลิศที่สุดในบรรดาความสุขทั้งหลายเกิดจากการทำจิตใจให้สงบนี่เองนี่ก็คือเรื่องของบุญอีกอย่างหนึง่งคือภาวนา นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมทำตนเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าเป็นคนอวดเบ่งอวดเก่งอวดดีอวดเด่นความอวดเก่งอวดดีอวดเด่นนี้ทำให้ใจฟุง้งซ่านเพราะต้องคอยอวดอยู่เรื่อยๆต้องคอยเบงอยู่เรื่อยๆแต่การทำตัว ให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเจียมเนื้อเจียมตัวนี้ใจสบายใจไม่ต้องเบ่งใจเพียงแต่ทําใจให้สงบให้นิ่งเท่านั้นเองก็จะเจียมเนื้อเจียมตัวได้แล้วก็จะมีความสุขใจที่สงบนี่แหละที่เกิดจากการเจียมเนื้อเจียมตัวนี่แหละเป็นความสุขเป็นบุญส่วนการอวดเบ่งอวดเก่งอวดดี นี่เป็นการกระตุ้นใจให้ต้องปรุงแต่งให้คิดให้ทำงานก็จะทำให้ใจไม่มีความสุขนี่ก็คือเรื่องของบุญอีกชนิดหนึ่งบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาอนุโมทนาหมายถึงร่วมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเช่นมีคน เขาบอกว่าเขาจะไปทำบุญออกพรรษาจะไปทอดกระถิ่นที่วัดนั้นวัดนี้ถ้าเราไม่มีเงินให้เขาหรือร่วมทำบุญกับเขาเราเพียงแต่อนุโมทนาคือชื่นชมยินดีสาธุไปกับเขาเราก็ได้บุญแล้วเพราะเรามีจิตใจที่ร่วมไปกับการทำความดีใจของเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไป คิดอิจชาลิษยาคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขามีเงินทำบุญได้แต่เราไม่มีเงินเราไม่ได้ทำบุญเราก็ไปอิจชาเขาอย่างนี้ก็ไม่ไม่ควรจะทำเพราะจะทำให้ใจของเราเศร้าหมองเวลาเห็นใครเขาทำความดีก็ควรที่จะยินดีไปกับเขาด้วยควรที่จะสนับสนุน หรือถ้าเราช่วยได้ร่วมด้วยก็ช่วยไปร่วมไปด้วยถ้ามีเงินก็ฝากไปทำบุญด้วยก็ได้ถ้าเราไปเองไม่ได้เพราะเราติดภารกิจการงานต่างๆหรือถ้าเราไปได้ด้วยก็ไปเลยพราการทำบุญบางครั้งเราจะทำเองโดยตามน้ำพังนี้เราไม่มีกำลังพอเราอาจจะไม่มีรถมาวัด พอดีมีเพื่อนบ้านเขาจะมาทำบุญเขาก็บอกบุญกับเราว่าเขาจะมาทำบุญถ้าเราอยากจะทำบุญก็ขอไปกับเขาด้วยเราก็จะได้ทำบุญนี่คือเรื่องของอนุโมทนาบุญเป็นการสร้างความสุขใจให้ให้ให้อีกอย่างหนึ่งและบุญประการสุดท้ายก็คือ บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งธรรมะนี้เป็นเหมือนอยาเวลามีใครเขาตกทุกข์ได้ยากคือเศร้าโศกเสียใจถูกความทุกข์ุมร้อมอยู่ถ้าเรามีธรรมะที่สามารถสอนให้เขาปลงสอนให้เขาวางสอนให้เขาปล่อยได้ใจของเขาก็จะหายจากความทุกข์ได้ เมื่อเราเห็นว่าเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ก็จะทําให้เรามีความสุขใจการให้อะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะการชะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งป่วนให้เงินทองเขาไปเขาก็เอาไปใช้หมดพอหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตกทุกข์ได้ยากอีก แต่ถ้าให้ธรรมะไปแล้วเขาจะไม่ทุกข์เลยเขาจะปลดเปลื้องความทุกข์ภายในใจของเขาได้จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยธรรมะนี้เท่านั้นแหละที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจของเราได้สิ่งอื่นๆนั้นถ้าจะปลดก็ปลดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ไม่เช่นนั้นแล้วคนที่รวยก็ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ไปหมดแล้ว แต่คนที่รวยนี้ทาไมกับมีความทุกข์มากกว่าคนไม่รวยซิอีกคนที่เป็นขอทานนอนใต้สะพานนี้เ้านอนหลับอย่างสบายแต่คนรวยเศรษฐีอยู่ในปราสาทอยู่ในบ้านใหญ่โตกับนอนไม่หลับเพราะมัวแต่กังวลกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเพราะว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งหวงมาก ยิ่งห่วงมากและยิ่งอยากได้มากขึ้นไปก็จะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเงินหายไปคือหายโดยคุณค่าหมายถึงหุ้นตกหรือดอกเบี้ยลงใจก็ไม่สบายแล้วแต่คนที่ไม่มีนี้เขาไม่เดือดร้อนเวลาดอกเบี้ยลงเวลาหุ้นตกนี้ ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแต่อย่างใดเขานอนหลับได้อย่างสบายนี่คือเรื่องของการทําบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคือชาวพุทธทั้งหลายได้ทํากันเราก็สามารถที่จะเลือกทํากันได้ตามโอกาสตามเวลาตามฐานะถ้าเรามีเงินมากเราก็ต้อง ให้มากถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ให้น้อยถ้าเราไม่มีเลยเราก็ไม่ต้องให้เมื่อเราไม่มีเงินเราก็จะมีเวลามากเราก็จะเอาเวลานี้มาทำบุญอย่างอื่นมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมหรือไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรามีผู้มีพระคุณ ตายจากเราไปเราก็ทำบุญอุทิศไปให้กับเขาเหล่านี้ทำแล้วจะทำให้ใจของเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงและจะหมดจากความทุกข์ไปได้ในที่สุด<ม>เกิดจากการสร้างบุญทั้งสิบประการนี้ดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าประมาท กับเรื่องของการทำบุญอย่าให้กิเลสมันมาคอยขวางอ้างเหตุผลต่างๆเวลาจะทำบุญเทไรก็มักจะมีเหตุผลอยู่เรื่อยเช่นเวลาไปทำบุญที่วัดที่ดี mm. ก็ว่าคนไปทำกันเยอะข้าวของมากมายก่ายกองก็เลยไม่อยากจะทำพอไปทำวัดที่ไม่มีข้าวของไม่มีคนไปทำบุญ ก็ไม่อยากจะทำอีกเพราะว่าเป็นวัดไม่ดีไม่มีใครไปทำอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำบุญสักทีเพราะความตนนีความหวงในเงินทองนี้มันจะอ้างเหตุผลต่างๆไว้เสมอไม่ต้องกังวลว่าของมันจะมากอย่างไรไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราผู้ที่รับเขามีหน้าที่ของเขาเขาจะทำต่อไปให้กับเราเอง ถ้าไปทำกับวัดที่ดีพระที่ดีเขาก็เอาไปทำประโยชน์ต่อเขาไม่เอาไปฝังบินเขาไม่เอาไปโยนทิ้งถังขยะเขาก็ไปสงเคราะห์โรคต่อไปสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนต่อไปองั้นไม่ต้องกลัวว่าของมากมายกายกองกินไม่ได้กินไม่หมดอย่างนี้ไม่ต้องไปอ้างเหตุนี้เพื่อไม่ไปทำบุญเขาให้เราทำบุญเพื่อที่จะปลดเปลื้องกิเลส ในใจของเราต่างหากหรือเหมือนกับการรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารเวลาเราหิวเราก็จะไปหาร้านอาหารที่อร่อยรับประทานแต่ร้านอาหารที่อร่อยคนก็มากก็เลยไม่อยากจะรอก็เลยไปรับประทานไปหาร้านที่คนน้อยพอร้านที่คนน้อยอาหารก็ไม่อร่อยก็ไม่อยากจะรับประทานอีกอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประทาน ก็จะหิวไปเรื่อยๆการทำบุญให้ทานก็แบบเดียวกันทำไปเถิดอย่าไปอ้างเหตุอ้างผลต่างๆถ้าเรามีเงินทองพอที่จะทำได้ก็ทำไปเถิดถ้าจะเลือกก็เลือกได้บ้างเลือกคนดีดีกว่าทำกับคนไม่ดีแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ทำไปเถิดขอทานที่ไหนก็ให้เขาไปก็ได้เพื่อปลดเปื้องหรือหาคนรับไม่ได้ก็ เอาไฟเผามันไปก็ได้เพื่อมันจะได้หมดปัญหากับเราไปนี่คือการทำทำทานเพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจของเรามีหลายวิธีด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้คือทางการให้ศีลคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นภาวนาการพัฒนาจิตใจบุญอุทิศการอุทิศบุญเพื่อผู้ร่วงรับไปแล้ว การอนุโมทนาบุญร่วมบุญกับผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้สังคมการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเจียมเนื้อเจียมตัวการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการฟังเทศน์ฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือบุญสิบ ป, ประการที่พวกเราควรที่จะบำเพ็ญควรที่จะเจริญให้มากเพราะจะทำให้จิตใจของเรา